ใครเมตตามมาเอาใจใใคอยคลาทุกคนชอบเธอเขาเมารอมาคอยจะมาคอยพรำเพอเมื่อรักเธอหมดใจฉันต้องย้ำกับตัวเองคอยเตือนกับ ความนายใจให้ซึ้งแค่ไหนก็คงดีไม่พอจะเป็นคนเดียวที่ไม่บอกรักเธอไม่หวังให้เธอต้องมาบอกรักกันแค่คนหนึ่งคนที่อยากเจอเธอทุกวันไม่อยากผูกพันไปกว่านี้ไดแต หวังดีเพียงแอ บ, บรักคนเดียวก็พอเพราะว่าฉันขอเพียงเท่านี้ก็สุขใจฉันไม่หวังสิ่งใดไ ด, ไ, ดไม่คิดอย่างใครใครไม่ขอให้เธอ ความหวังดีเพียงแ บ, บรักคนเดียวก็พอเพราะว่าฉันขอเพียงเท่านี้ก็สุขใจฉันไม่หวังสิ่งใดใดไม่คิดอย่างใครใครไม่ขอให้เธอ ยังแอบรักไม่ขอจำจอมเพียงแค่ขอมองเธ อ, อย่างนี้ก็สุขใจ